มีนักปราชชาวกรีกคนหนึ่งนะมีชื่อเสียงมากนะชื่ออริสโตเตลิลเขาพูดประโยคนึงนะน่าคิดมากบอกว่าคนเราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้โดยไม่เจ็บปวดหรือว่าคนเราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้เลยนะถ้าปราศจากความเจ็บปวดน่าพิจารณานะก็เจ็บปวดนี่มันก็มีหลายระดับนะเริ่องแต่ความยากลาบาก ไปยังถึงความทุกข์การเรียนรู้เนี่ยถ้าเรานึกย้อนสมัยที่เรายัางเด็กเนี่ยนะสมัยที่เราเรียนรู้โดยเพราะในโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันก็เป็นเรื่องยากลำบากสำหรับเราแม้แต่การเรียนรู้เรื่องภาษาไทยกอไก่ขอไข่กว่าจะเข้าใจสามารถผสม อ, อักษรได้หรือสามารถจะอ่านเป็นคำได้ รวมทั้งการคิดเลขไม่ว่าจะเป็นบวกลบคูณหารมันก็เป็นเรื่องที่ต้องผ่านความยากลาบากเนะคือมันต้องฝึกฝนทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกซ้ำแล้ ว, ซ, ลวซ้ำเล่าก็าไม่ใช่เรื่องสบายแต่นั่นก็ทำให้เรามีความรู้ถ้าอยากสบาย มันก็ไม่มีความรู้เกิดขึ้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอความนอกจากความยาลําบากแล้วเนี่ยบครั้งเนี่ยความเจ็บปวดหรือความทุกข์เนี่ยมันก็จำเป็นนะสำหรับการเรียนรู้เนี่ยอย่างที่บางคนเพื่อเนี่ยเจ็บนะมันทำให้จำถ้าไม่เจ็บมันก็ไม่จำนะหรือทาให ไม่เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งหรือว่าที่ประทับแน่นอยู่ในใจอย่างใครที่ไม่เคยโดนแกล้งคอเซนเตอร์หลอกก็คงจะไม่จำนะจนเกิดความระมัดระวังแต่พอโดนแกล้งคอเซนเตอร์หรือแกล้งมิชาชีพหลอกสักครั้งเนี่ยโอ้มันจำได้แม่นเลยแล้วก็เกิดการเรียนรู้ที่ทำให้ระมัดระวังมาก ถือถ้าไม่ถูกหลอกไม่สูญเงินเนี่ยมันกไ็ไม่กายเรียนรู้มันก็ไม่ทราบซึ้งถึงใจยิ่งตอนเด็กๆเนี่ยเราถ้าเราไม่เคยเจอโดนน้ำร้อนลวกหรือว่าเจอนามทิ่มเนี่ยเราก็คงไม่ได้เรียนรู้นะว่า ไอ้ของร้อนเนี่ยเช่นน้ําร้อนหรือว่าของมีคมของแหลมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเพียงใดต่อเมื่อเราเคยเจ็บเคยปวดจากน้ําร้อนลวกจากน้าที่ทิ่มหรือจากเศษแก้วที่ตําเท้ามันก็ทําให้เราเกิดความระมัดระวังเกิดการเรียนรู้ว่าจะจับต้องอะไร หรือ่จะเดินเหินที่ไหนนี่มันก็ต้องใส่ใจหน่อยนี่ก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะที่ต้องผ่านความเจ็บปวดและบางอย่างมันก็ไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดทางทางกายนะแต่ว่าเป็นความเจ็บปวดทางใจแต่ข้อดีของมันคือมันทำให้เราเกิดความใคร้ครวน อันที่เขาว่าเนี่ยเราไม่สามารถจะเรียนรู้ได้โดยไม่เจ็บปวดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าความเจ็บปวดมันทำให้เราฉุกคิดรู้จักใคร่รู้จักพิจารณาแม้บางเรื่องบางราวมันก็อาจจะทำให้เรายากที่จะยอมรับได้แต่สุดท้ายความทุกข์ความเจ็บปวดมันทาให้เราเนี่ยก็ต้องยอมรับอาจจะเป็นยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองและเกิดการเปลี่ยนแปลง มีนักธุรกิจคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่มีเมตตากรุณาต่อลูกน้องผู้ใต้บาาังคับบัญชามากนะเป็นที่รักของผู้ใต้บาาังคับบัญชาไอนักธุรกิจคนนี้เคยเล่าให้ลูกน้องคนหนึ่งฟังนะว่าเนี่ยหลายปีก่อนเนี่ยสมัยที่ตัวเขาเองเนี่ยนะประสบความสำเร็จนะ มีชื่อเสียงมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศมีบริษับษทบริวารมากเนี่ยพขาเป็นคนที่เจ้าอารมณ์มากเป็นคนที่หงุดหงิดโมโหร้ายแล้วก็ไม่สนใจใครเลยเพราะมีคนขับรถอยู่คนหนึ่งน ะ, ะเวลาเขาไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือไม่พอใจอ่ คนขับรถที่ขับช้าบางเร็วบ้างเนี่ยก็จะระบายอารมณ์ใส่คนขับรถบางเรื่องบางราวคนขับรถก็ไม่รู้อินโอยเนนะแต่ว่าก็โดนระบายอารมณ์ใส่เพราะว่าหงุดหงิด จ, จากที่ทำงานหรือไม่พอใจใครคุยโทรศัพท์ทุรกจิจการงานแล้วได้ผลไม่เป็นที่พอใจโมโหก็ระบายอารมณ์ใส่คนขับรถ ไม่ใช่แค่ด่าอย่างเดียวนะบางทีใช้เท้ากระทืบใช้เท้ากระทืบที่หลังเบาของคนขับรถไอคนขับรถนี่ก็ไม่เคยต่อรอดต่อเทียงนะเพราะว่าเป็นคนที่สุภาพมากจะมีวันนึงเนี่ยนัยกธุรกิคนนี้อารมณ์เสียแต่เช้าเลย แลก็ระบายอารมณ์ใส่คนขับรถตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งพอคนขับรถเนี่ยขับมาถึงบ้านของเจ้านายพอจอดรถเสร็จแกก็มาหันหลังมาหันมาบอกเจ้านายว่าผมขอมอนุญาตลาออกนะครับให้เจ้านายก็งงนะมาลาออกแบบไม่มีปีไม่มีคุยแล้วคนขับรถก็บอกนยว ผมขอคืนกุญแจรถนะครับพอยืน่นกุญแจรถให้เสร็จนะคนขับแล้วก็ลงจากรถแล้วก็บอกย้มอีกทั้งร้อเนี่ยผมเล่าแล้วนะครับพอคนขับรถเดินไปถึงหน้าบ้านแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านทีนี้แหละนะแกก็ตบโกนออกมาเลยเสียงดังเลยนะใส่เจ้านายมาเลยมึง มึงออกมาข้างนอกเลยมาชกกับกูกูทนไม่ไหวแล้วนะมึงด่ากูตลอดเวลากูก็เป็นคนเหมือนกันด้วยตอนนี้มึงกับกูเป็นคนเท่ากันละออกมาชกกับกูเลยว่าเจ้านายช็อกเลยนะไม่เคยไม่เคยนึกเลยนะว่าลูกน้องนี่จะโกรธขนาดนี้แต่ว่าการช็อกของเจ้านายเนี่ย มันก็ดีอย่างหนึ่งนะคือแทนที่จะไปโทษไปด่าหรือไปโกรธแค่ลูกน้องเนี่ยกลับมาหวนคินะว่าโห oh, นี่เรานี่ททำขนาดนี้เฉรือเราปฏิบัติกับลูกน้องนี่อย่างเหมือนก็ไม่เขาไม่ได้เป็นคนเท่ากับเราเาะว่นตั้งแต่นั้นมานี้พฤติกรรมเปลี่ยนเลยนะนิสัยใจคอไม่เหมือนเดิม เอาใจใส่คนรอบข้างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนขับรถคนใหม่หรือว่าลูกน้องเรียกว่าการเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็มีเมตตากรุณาจกนกระทั่งลูกน้องก็ชมไอ้ลูกน้องนี่คงจะนึกไปถึงว่าแต่ก่อนเจ้านายนี่มีกับกิริยาตรงกันข้ามนะกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็ถือว่า นักธุรกิจคนนี้แกก็ได้เรียนรู้นะแต่เป็นการเรียนรู้ที่ต้องผ่านความเจ็บปวดคือต้องถูกดา่าทุกคนหรือว่าต้องเกิดอาการช็อกที่พบว่าตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมซามขนาดนั้นเชนียวหรือการที่คนเราเนี่ยจะยอมรับว่าตัวเองเมีพฤติกรรมที่ซามหรือว่าเห็นพฤติกรรมซามของตัวเองเนี่ยจากปฏิกิริยาของลูกน้องนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะ เห็นลำก็เจ็บปวดเพราะมันกระทบอิโกโ้แต่ว่ามันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดเป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกด่าอย่างรุนแรงเป็นความเจ็บปวดที่ได้มาเห็นตัวเองในมุมที่น่าเกลียด แตมันก็ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์พวกเราบางครั้งเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ด้วยวิธีเนี่ยนะคือเรียนรู้ผ่านความเจ็บปวดผ่านความทุกข์เพราะถ้าไม่ทุกข์เนี่ยสบายเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้มันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็ใช้ชีวิตหรือปฏิบัติไปตามที่เคยนะซึ่งถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้ายแย่มันก็ พาเข้ารถเข้าพงเด้เหมือนกันและถ้าว่าไปแล้วนคนเราเนี่ยการเรียนรู้นะที่สำคัญสาคัญเนี่ยมันก็มักจะต้องผ่านความเจ็บปวดหรือต้องมีผ่านความรู้สึกนะถ้าไม่รู้สึกอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดการเรียนรู้หรือไม่เกิดความรู้ขึ้นมาพูุ้ทธเจ้าเคยเปรียบคนเน่เหมือนกับม้าสี่ประเภทนะ ประเภทแรกเนี่ยสารถีคือคือผู้ขี่เนี่ยเวลาตะบึง เ, เวลาขับขี่ม้าเนี่ยแค่สารถีเนี่ยยกประตักขึ้นมาม้าเนี่ยมันเห็นเงาประตักบนพื้นเนี่ยมันก็รู้แล้วควรจะทำยังไงจะตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสมัยก่อนนี่เขาใช้ประตักนะ ปะตักนี่มันก็สามารถจะทิมให้เจ็บปวดได้เพราะจะว่าม้านี่คงจะเป็นม้แบบเทียมเกลียด น, น, นะนะมันไม่ใช่ม้ที่เพืขี่คล่อมหลังประเภทแรกเนี่ยนะพอเห็นเงาปะตักของสารถีก็รู้แล้วจะเลี้ยวซ้ายเล้ยวขวาหรือตรงไปประเภทที่สองเห็นเงาปะตักนี่ไม่รู้สึกนะไม่เก็ตนะพูดงา่ายงต้องโดนปะตักทิมทะลุขุมข น, นถึงจะรู้ว่าควรจะทาอย่างไร ประเภทที่สมเนี่ยเห็นเงาประตักก็ไม่รู้สึกหรือแม้จะแม้จะเอาประตักทิมทะลุขุ้มขนก็ไม่รู้สึกต้องทิมให้มันแรงะทะลุถึงเนื้อเนี่ยถึงจะรู้สึกหรือรู้ว่าควรจะวิ่งไปทางไหนประเภทที่4เนี่ยเห็นเงาประตักก็เฉยแต่ต้องโดนประตักทิมและไม่ใช่แค่ทะลุขุมขนหรือทะลุเนื้อนะต้อง รู้ไปถึงกระดูกเลยเนี่ยถึงจะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรอันนี้พระเจ้าก็เปลี่ยนมาคนสี่ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่ได้รู้ได้ยินว่ามีคนตายก็เกิดเขาเรียกว่าสังเวชนะสังเวชในที่นี้คือเกิดได้คิดขึ้นมาว่าควรจะทําความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะได้อ่า เพราะเมื่อถึงเวลาที่ความตายนั้นเกิดขึ้นกับตนประเภทที่สองเนี่ยต้องเห็นคนตายก่อนเห็นคนตายต่อหน้าเนี่ยจึงจะเกิดความสังเวชแล้วเกิดเกิดความใส่ใจในการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็ปฏิบัติตธรรมประเภทที่3มเนี่ยต้องให้คนรักคนที่ใกล้ชิดเนี่ยตายซะก่ขขอน จะเป็นพ่อแม่ลูกหลานเหลือมิตรสหายตายจึงจะเกิดความตระหนักนะว่าควรจะทำอย่างไรกับชีวิตที่เหลือประเภทที่สีเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องใกล้ตายหรือความตายมาใกล้ตัวถึงเกิดความตระหนักนะว่าควรจะทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลในบรรดาคนสิประเภทเนี่ยประเภทแรกนี่ถือว่พิเศษนะคือว่า แค่รู้ยังไม่ต้องเจอคนตายตอนหน้ายังไม่ต้องสูญเสียคนรักยังไม่ต้องเจอความตายมาไปชิดตัวเนี่ยคือพูดง่ายคือแม้จะไม่เกิดความทุกข์แต่ว่าก็เกิดความเกิดความได้รู้ได้ตระหนักว่านถะ้าต้องทำความดีใช้ชีวิตให้มีคุณค่านอกนั้นเนี่ยสามเพทิเล่เนี่ยต้องเจอหรือเกิดความรู้สึกก่อน เกิดความรู้สึกตื่นตะหนกเกิดความรู้สึกตกใจเกิดความรู้สึกหวาดกลัวเช่นพ่อเห็นคนตายต่อหน้าเพราะคนรักล้มหายตายจากหรือว่าความตายมาประชิด ต, ตัวทั้งสามกรณีเนี่ยมันทำให้เกิดความรู้สึกตื่นตะหนกตกใจเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าจึงเกิดการเรียนรู้ว่าควรจะทำอย่างไร อันนี้ก็หมายความว่าคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แหละคือการเรียนรู้ไม่เกิดขึ้นถ้าไม่เกิดความรู้สึกซะก่อนความรู้สึกที่ว่าเป็นความสุขรู้สึกในทางทุกขเวทนาพอได้เจออนิจจาลมนะเจอรูปรสกลิ่นเสียงหรือเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจนะเจอเพราะความสูญเสียคนรักหรือว่ามีความตายมาไปชิตตัว อันนี้มันสะท้อนหนความจริงนะของคนเราเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าคนเราจะไม่เรียนรู้หรือพูดง่ายคือไม่สนใจธรรมะไม่เห็นคุณค่างธรรมะเลยถ้าหากว่าไม่ไม่เจอความทุกข์เสียก่อนหรือว่าไม่เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นทุกขเวทนาประเภทแรกเนี่ยถือว่ามีน้อยคือไม่ต้องเจอไม่ต้องมีความรู้สึกทุกขแค่ได้ยินข้อมูลข่าวสารเนี่ยการเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นแล้ว แล้วเพราะเหตุนีนะ้ในเรื่องของกา ร, รเผชิญความทุกข์เนี่ยหรือความเจ็บปวดเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับการเรียนรู้ของคนเราหรือเป็นสิ่งทำให้เกิดปัญญาคนเราถ้าไม่เจอทุกข์เนี่ยก็ไม่เห็นธรรมนะหรือไม่เกิดปัญญาท่านติณธันเนี่ยท่านเคยเขียนหรือเคยพูดเอาไว้นะ เป็นคติธรรมสั้นๆจำได้ไง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษ No Mud No Lotus ไม่มีโคลนตมก็ไม่มีดอกบัวโคลนตมเนี่ยนะหมายถึงอะไรนะหมายถึงความทุกข์ดอกบัวหมายถึงอะไรดอกบัวหมายถึงความรู้แจ้งหรือปัญญาที่เรียกว่าเป็นปัญญาระดับโพธิดอกบัวเนี่ยนะมันตรงข้ามกับ คนตมเลยโคลนตมนี่สะกะปรกแต่ดอกบัวนี่สะอาดเอาไว้บูชาพระแต่ว่าเกี่ยวโยงกันมากเช่นเดียวกันความทุกข์เนี่ยนะแม้เป็นสิ่งที่ผู้คนไม่ประสงค์แต่ว่ามันก็จําเป็นนะต่อการที่จะเกิดปัญญาในทางธรรมชนิดที่ทําให้เกิดการพ้นทุกข์ได้อันนี้จริงๆพระเจ้าก็เคยตรัสไว้นะว่าถ้าโลกนี้เนี่ยไม่มีความแก่ความเจ็บความตาย พระพุทธเจ้าหรือตถาคตก็ไม่อุบัติขึ้นมาแต่เพราะโลกนี้เนี่ยมีความแก่มีความเจ็บความตายเนี่ยตถาคตจึงอุบัติขึ้นมาอันนี้เกิดผลที่พระเจ้าเนี่ยมามาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์นะไม่ใช่ในโลกสวรรค์เพราะโลกสวรรค์เนี่ยมันความแก่ความเจ็บความตายมันเห็นได้ช้าแต่ในโลกมนุษย์เนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนนะก็เพราะโลกเนี่ยมีเต็มไปด้วยความทุกข์ หรือว่าเป็นเพราะต้องเผชิญความทุกข์เนี่ยการตัดสู้จึงเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมอในแง่นี้ความทุกข์ก็เป็นของดีนะมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนรู้สาหรับการไม่ใช่ใบเรียนรู้ทางโลกนะแต่รวมถึงการเรียนรู้จนเกิดปัญญาในทางธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราก็ไม่ควรจะกลัวหรือหลีกเลี่ยงความทุกข์นะแต่ควรจะยไม่น้อยเนี่ยหลีเกเลี่ยงความทุกข์ ถ้าหลีกเรี่ยงความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญานะจริงๆอย่าว่าแต่ปัญญาในทางธรรมเลยนะแม้กระทั่งการประโยชน์ในทางโลกเนี่ยเขาก็ถือว่าความเจ็บปวดก็สำคัญนะอย่างที่ภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า no pain no pain no gain คือไม่เจ็บปวดก็ไม่มีกำไรหรือไม่เกิดไม่ได้รับประโยชน์ขึ้นมา คนเราก็อยากได้นะก็ต้องยอมเจ็บปวดนะเพราะฉั้น no pain กับ no g a i เนี่ยมันจึงไปด้วยกันเฉนั้นที่อยที่อยากจะประสบความจเจริญในทางธุรกิจก็ต้องยอมเจ็บปวดอันนี้เป็นเรื่องของทางโลกในทางธรรมก็เหมือนกันนะ no มั t c h no lotus ไม่มีดอกบัวไม่มีคนตรงก็ไม่มีดอกบัวไม่มีความทุกข์ก็ไม่เกิดการตัสรู้รู้แจ้ง เพราะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ควรกลัวความทุกข์นะแต่คนทีอไม่น้อยเนี่ยนะก็กลัวความทุกข์หลีกหนีความทุกข์แต่ถ้าหลีกนี้ความทุกข์ ก, ก, ก็จะไม่เกิดการเรียนรู้จะไม่เกิดพัฒนาการในทางชีวิตหรือปัญญาเลยไอน์สไตน์นี่พูดไว้ดีนะบอกว่าเรือเนี่ยมันปลอดภัยถ้าหากว่าจอดอยู่บนฝั่งแต่เราไม่ได้สร้างเรือ เพื่อเหตุนี้เราไม่ได้สร้างเรือหรือเราไม่ได้ต่อเรือเพื่อให้มันอยู่ในอยู่บนฝั่งเราต่อเรือเพื่อให้เรือมันออกทะเลอันนี้ก็หมายความว่าถ้าคนเราเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยเอาแต่หลบลี่นหนีความทุกข์หรือหนีความเสี่ยงมันก็ไม่ใช่ชีวิตนะเพราะชีวิตเนี่ยมันเป็นไปเพื่อ ที่จะพาเราออกไปเผชิญนะกับโลกกว้างได้เรียนระู้จากขึ้นลมรวมทั้งอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆการปฏิบัติธรรมก็มีหน้าที่เช่นนี้เหมือนกันเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อที่จะมาหลบอยู่ในมุมสงบเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายเพื่อที่จะอยู่ใน ความสะดวกสบายปราศจากความเสี่ยงเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ออกไปเผชิญกับโลกกว้างเผชิญกับความผันผวนปนแปลในชีวิตได้อย่างถูกต้องถูกต้องในที่หมายเขาว่าได้เรียนรู้นะจากความทุกข์ความผันผวนแปรเหล่านั้นจริงเนี่ยถ้าเรา พูดกลับมาย้อนกลับมาที่คาพูดของดิสโตเติลเนี่ยที่บอกว่าคนเราเนี่ยไม่สามารถเจรยนรู้ได้ถ้าไม่มีความเจ็บปวดในแง่หนึ่งก็หมายความว่าความเจ็บปวดเกิดขึ้นได้ความการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีความเจ็บปวดแต่มันก็หมายความว่ามีความเจ็บปวดแล้วจะเกิดการเรียนรู้นะอันนี้คือปัญหาสิ่งที่เราควรกลัวเนี่ยั น, นไม่ใช่ความเจ็บปวด แต่สิ่งที่เราควรกลัวคือว่าปวดแล้วไม่เรียนรู้หรือว่าทุกข์แล้วไม่เรียนรู้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้ น, นกับผู้คนจำนวนมากนะคนเราเนี่ยทุกซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ไม่เคยเกิดการเรียนรู้เลยคนแล้วคนเล่านะที่โกรธนะโกรธซ้าแล้วซ้าเล่าแต่ไม่เคยเรียนรู้เลยว่าถ้าปล่อยวางก็จะหายโกรธ ผู้คนเนี่ยโกรธแค้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งหรือกี่หมื่นครั้งตลอดทั้งชีวิตแต่ไม่เคยเียรู้เลยว่าการให้อภัยเนี่ยมันช่วยบรรเทาความโกรธได้หรือบางคนเนี่ยหรือที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาแต่เศร้าโศกเศร้าโศกเสียใจนี่นับครั้งไม่ทวนแต่ก็ไม่เคยเียรู้เลยนะว่า ถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดติดถือมั่นมันก็จะช่วยทำให้ความโศกเศร้านะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อตัวเราเนี่ยเศร้าโศกเสียใจแล้วโกรธแค่หรือว่าจมวนหลงหวนอยู่ในความทุกข์นับครั้งไม่ถ้วนโดยที่ไม่เกิดการเรียนรู้เลย เมื่อตอนที่นางป a t r a j รามาพบพระพุทธเจ้าหลังจากที่สูญเสียคนรักไม่ว่าจะเป็นลูกสองคนภริยาสามีพ่อแม่จนกระทั่งแทบจะเป็นวิกลตจริตพุทธเจ้าได้เตือนสตินางปต t r a j a r แล้วก็พูดบอกนางปต t r a j a r ว่ามหาสมุทรทั้งสีเนี่ยแม้ว่าจะมีน้ํามากเพียงใดก็ไม่เท่ากับน้ําตา ที่หลังเพราะโศกเศร้าเนื่องจากความสูญเสียในวตาสงสารนับนับไม่ถ้วนอาการที่สัตว์โลกเนี่ยร้องไห้เศร้าโศกนะนับชาติไม่ถ้วนจนกระทั่งน้ำตานี่มันมากกว่าม้าสุทั้งสี่เลยมันแปลว่าแะละแปลว่าไม่ได้เรียนรู้เลยนะว่าเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นเนี่ยจึงทำให้ เกิดความโศกเศร้าทำให้เกิดความมันไม่ใช่เป็นความสูญเสียแต่เพราะความยึดติดถือมั่นต่างหากที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าได้แต่พระพุทธเจ้าตระหนี่เนี่ยนองปัจจกปัจจัจากจา ก, าก็ได้คิดเลยนะเกิดปัญญาขึ้นมาเลยนะว่าเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นนี่แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์นะซ้ำแล้วซ้ำเล่านะในชาติพบนะที่ไม่อาจประมาณได้ ถึงตนนั้นแหละนางปตจราจึงได้เดินรู้เป็นการเรียนรู้หลังจากที่ผ่านความเศร้าโศกเป็นการเรียนรู้ที่หลังจากผ่านความสูญเสียแต่ว่าคนอย่างปตจนางปต จ, จราก็มีน้อยนะเพราะส่วนใหญ่ทุกโดยที่หรือเจ็บปวดโดยที่ไม่เกิดการเรียนรู้เลยอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าอันี้ถ้าเกิดว่าเราได้คิดนะได้ตระหนักนะว่าเออทํำยังไงเนี่ย เมื่อเจอความทุกข์แล้วเนะี่ยอย่าทุกข์ฟรีเมื่อเจอความกลัวก็อย่ากลัวฟรีฟรีเมื่อเจอความโศกเศร้าก็อย่าโศกเศร้าฟรีฟรีให้เรียนรู้ว่ามันเกิดเพราะอะไรและตรงนั้นแหละหนะ้าที่มันจะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาก็อย่างที่บอกนะั้นเจอทุกข์จึงจะเห็นธรรมแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เจอทุกข์แล้วจะเห็นธรรมเสมอไปส่วนน้อยนะที่เจอทุกข์แล้วเห็นธรรมส่วนใหญ่เจอทุกข์แล้วก็คล้ำครวนหลง พอไม่คิดที่จะใคร่ครวนนะทบทวนชีวิตจิตใจของตัวอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่น่ากลัวงั้นถ้าเกิดว่าเราตระหนักเช่นนี้เนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เจอความทุกข์นะก็ให้กลับมาตั้งสติแล้วก็มาใคร่ครวญว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเพราะว่าความเจ็บปวดทุกครั้งเนี่ยหรือความทุกข์แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ย มันสามารถจะให้บทเรียนการเราได้ถ้าเรารู้ว่ามันทุกข์เพราะอะไรเนี่ยอันนี้คือเหตุผลที่พระเจ้าเนี่ยสอนว่าเนี่ยเมื่อเจอทุกข์ก็ให้รู้ทุกข์ให้เห็นทุกข์เพราะถ้ารู้ทุกข์เห็นทุกข์ก็จะเห็นสมุทัยและถ้าเห็นสมุทัยหรือเห็นทุกข์แล้วในหนทางแห่งการพ้นทุกข์หรือดับทุกข์ก็เกิดขึ้นได้และนี่คือการเรียนรู้ที่สําคัญที่สุคือว่าอย่าไปกลัวทุกข์ อย่าไปนหนีทุกข์และพร้อมที่จะเรียนรู้จักทุกข์อย่าทุกข์ฟรี